แม้แต่คนที่มาปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่แค่มารักษาศีล น, นะมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะนะมันก็เป็นเหยื่อของความหลงได้เหมือนกันน ะ, ะหลวงพ่ อ, เ, อเขียนยเคยเล่านะนี่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็ตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงออกจากการปฏิบัติมากต้งเดินจงกรมต้งสร้างจังหวะ แต่ทำไปทำไปก็เครียดหน้าตาหน้าดําครําเคร่งนะเคร่งจนเครียดเลยพอทำไปอีกสักพักเอาเห็นท่านเอารองเท้าแต่นิฟาถัวแล้วนะแล้วก็บนแปลว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินมันคะิดมากเหลือเกินคือโมโหนะโมโหโกรธโกรา ใจที่มันเต็มไปได้วยความฟุง้งและคิดว่าจิตใจก็อยู่ในหัวสมองนี่แหละก็เลยเอารองเท้าฟาดหัวอันนี้เราหลงแล้วนะตั้งใจจะมาประเดียดเพื่อให้เกิดความรู้ตัวนะแต่สุดท้ายก็โดนความหลงเล่นงานนะหรือบางท่านเนี่ยนะ ปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะจูๆนะประมาณตี2ตี3ก็ไปรออยู่หน้าวัดพร้อมทั้งอัฐบริการสะพายบาตรเตรียมเดินทางไปรอทำไมอยู่หน้าวัดนะก็เพราะไปเชื่อตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วแล้วก็เข้าใจว่าญาติโยมจะรับกลับบ้านไปไป ส, ไปสอนธรรมไปเผยแร่ธรรม มันปรุงแต่งไปเลยนะไม่ใช่ปรุงแต่งว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วแตงปรุงแต่งว่าญาติโยมจะมารับนะเพื่อจะไปโปรดสัตว์ให้มันพ้นจากความทุกข์คิดไปเองทั้งนั้นแหละเนี่ยเรียกว่ามาโนโนะอันนี้เรียกว่าเรียกวความหลงนะหลงหลงว่าตัวเองตัสรุนะแล้วก็หลงว่าตัวเองนี้นะจะมีคนมาแหนแห är, นะ่พาไป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 อันนี้ว่าเป็นเพราะนะการปฏิบัตินะปฏิบัติไปปฏิบัติมากลายเป็นหลงไปกว่าจะแก้อารมณ์ได้นี่ต้องหลวงพ่อบอกว่าต้องพาไ ป, ไ, ปไม่ใช่กลับไปวัดสนามนายต้องพาไปถึงโน้นเลยนะไปวัดป่าพุทธยานช่วยให้ขุดส่วมนะขุดส่วมขุดหลุมทําส่วมดินมันแข็งเนี่ยที่นั่นเปหินลูกหลัง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 ให้ความหลงเข้ามาครอบงมจิตใจได้ให้ความหลงรึกกิเลนี่มันมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันเก่งมากมันมีเล่เหลีล่ยม เ, เ, เ, เยอะแม้กระทั่งตั้งใจมาวัดเพื่อทำความดีตั้งใจมาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อ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 เนี่ยเปยละเปยล่างทั้งตัวเลยนะต่อหน้าผู้คนนะไม่ใช่เฉพาะแฟนเนี่ยอันนี้เพราะอะไรนะอันนี้เรียกว่าความหลงมันหลงเพราะอะไรหลงเพราะว่าโกรธนะน้อยเนื้อต่ําใจแต่นอกจากหลงเพราะเมาหลงเพราะเมาเหล้าหรือว่าหลงเพราะเมาเอารมแล้วเนี่ยนะมันก็หลงเพราะเมาการปฏิบัติก็มีนะเมาการปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอาเมานะ นะที่มาเพราะความอยากได้นะอยากบรรลุธรรมปฏนะิบัติธรรมก็อยากจะบรรลุธรรมนะกที่ความหลงมันจะออกไปจากใจนี่มันกลับนะแพร่ระบาดนะลุกลามเข้ามายิดครองจิตใจเราหนักขึ้นไอตัวหลงนี่มันเป็นนักโชว์อกาสนะมันโชว์อกาสเก่งมากเลยแม้แต่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 มันก็โชว์โอกาสเข้ามาครอบงำจนกลายเป็นทาชั่วไปหรือว่ า, าสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นอยากจะช่วยพ่อแม่จะกลับสร้างความทุกข์กับพ่อแม่โดยการตอว่าด่าทอเขาเนี่ยอันนี้เรียกว่าหลงแล้วไอ้ตัวหลงนี่มันเป็นนักโชว์อกาศมากทีเดียวกิเลสเนี่ยเราต้องระวัง แล้วถ้าเราจะสือความหลงนะเราจะชนะความหลงได้นี่เราต้องฉว์โอกาสเก่งกว่านะเก่งกว่าตัวหลงนะหลวงพรอหลวงอมเขียนบอกเนี่ยนักภาวานาต้องเป็นนักโว์โอกาสนะถ้าเราไม่โว์โอกาสนะไอ้ความหลงก็จะฉว์โอกาสเล่นงานเรานะเราต้องโชว์โอกาสนะที่จะเปลี่ยนความหลงให้กลายเป็น ความรู้นะหลวงพ่อท่านผู้อยู่เสมอ น, นะเปล่นหลงให้เป็นรู้นะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์นะเปลี่ยนโกรธเป็นความไม่โกรธอันนี้เรต้องใสาการชโชวยโอกาสนะนะนักภาวนาที่เป็นนักชโชวโอกาสนะถ้าเราไม่โวโอกาสไอ้กิเลสความหลงก็จะฉว์โอกาสเล่นงานเราแทนนะเราต้องชโชว์โอกาสนะเก่งกว่า ตัวหลงตัวกิเลสนะเวลาใครทำอะไรเรานะเออใครเขาดา่าเราใครเข า, าต่อว่าเรานะเขาทำด้วยความหลงเราก็จะไปหลงตามเขานะยิ่งเขายิ่งเขาหลงมากเท่าไหร่เราก็ต้องตั้งสตินะเอาตัวรู้เนี่ยมาเป็นหลักเป็นประธานให้ไดนะ้แล้วก็ใช้ความหลงที่เขานะ รบายใส่เานี่ยแหละนะเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนให้เป็นตัวรู้ซะก็คือเป็นอุปกรณ์ถือเป็นวัตถุดิบในการสอนทำนะอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคของการปฏิบัตินะมันไม่ใช่อุปสรรคมันเป็นอุปกรณ์นะเป็นเครื่องฝึกนะเป็นการบ้านนะเขาว่าเรานะด้วยความหลง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 ของนักปฏิบัติที่เปิดช่องให้ตัวหลงนะหรือว่ากิเลสนี่เข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้เพราะว่าพอติดดีแล้วเนี่ยนะมนก็เกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมาอันนี้เรื่อ ม, มานะว่าฉันดีกว่าคนอื่นหรือไม่ก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยดีเหมือนเราหรือว่าทําดีเหมือนอย่างที่เราคิด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 พ่อก็ชักโกรธไม่พอใจแถมลูกเถียงซิกนะเนี่ยงดีนะแค่ตบลูกนะบางลายนี่เนะถียงไปเถียงมาแลพ่อโกรดลูกมากนะเอาปืนยิงลูกตาย เ, ยเสยแล้วตัวเองเพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากยิงไปแล้วรู้ตัวขึ้นมาว่าทาอะไรรู้ว่าผิดรู้ว่าบาปมหาหันนะ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 ไอ้ตัวหลงที่เป็นนักฉวยโอกาสชั้นยอดเลยนะมันทําให้เราลืมตัวทําให้เราขาดสติหรือผู้ใหญ่ก็ว่าเป็นเพราะขาดสติอะไรที่ทําให้หลงนะคนเราหลงด้วยหลายสายเหตุนะหลงเพราะขาดสติก็มีหลงเพราะอาวิชชาก็มีนะหลายคนเนี่ยถึงแม้ว่าสติมียังมีสติหรือว่าสติดีนะแต่ว่า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 ต้องฉลาดในการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้นะเปลี่ยนให้โกรธให้เป็นความไม่โกรธนะที่ต้องอาศัยสตินะสติมันจะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนไอ้ลบให้เป็นบวกได้นะแล้วถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ในความหลงก็เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ได้เวลาทําอะไรแม้แต่เวลาทําความดีก็ต้องให้มีสติเอาไว้นะ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 ให้ทานแต่ละทีก็กิเลสก็เล่นงานจิตใจนะถวายสิบอยากได้ร้อยถวายร0อยอยากได้ล้านเนะี่ยหรือว่าอยากจะไปอวดโชว์คนนั้นคนนี้นะว่าฉันเป็นคนมีคนใจบุญสุนทานนะอันนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วนะให้ทารักษาสีงก็เหมือนกันนะก็ทำวยความหลงก็ได้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 เล่นงานจิตใจเราก็โชวอากาสนะใช้เวลานั้นแหละนะปฏิบัติธรรมเจริญสติไปครึ่งนิ้วไปยกมืออาจจะพลิกมือไปพลิกมือมาก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องมาว่าถึงจะปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ใช่ว่าเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่ า, ทานั้นเอเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ว่างๆนะก็ปฏิบัติธรรมได้ก็เติมความสึกตัวลงไป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 ความหลงมันเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้ง่ายมากเลยของหายก็แต่ทุกข์รุ่มอกกุ้มใจเสียใจหรือเสียดายเจ็บป่วยก็เครียดกังวลวิตกนะีเนี่ยตัวหลงนี่มันโชว์อกาสทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันโชว์อกาศเพื่อที่จะเข้ามาเล่นงานจิตใ จ, จเราเราก็ต้องโชว์อกาสนะกลับไปนะตรงข้าม